คือฝรั่งเดี๋ยวนี้ที่ไม่นับถือาศาสนาก็เยอะก็มาอบรมนะสองวันวันแรกก็ราบรื่นดีดีนะวันที่สองเนี่ยวิทยาการก็บอกว่าเนี่ยจะจะให้มีกิจกรรมสมมุตินะโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าบทบาทสมมุตินะโรเปร์บทบาทสมมติก็คล้ายๆละครแต่มันไม่มีบทให้ท่องนะมันต้องว่ากันต้องด้นกันสด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 มันคือคลายกันนะหรือมันยิ่งกว่านั้นซะอีกผูก่าละกบอกว่ากดระเบียบแรงคุณผมไม่สนใจนะผมไม่รู้เรื่องแะไทั้งสิ้นเนี่ยว่าแต่ว่าคุณเนี่ยพวกคุณเนี่ยจะมาเจราจาเรื่องไม่สุบรี่หรือว่าจะเจราจาเรื่องการปล่อยตัวเพื่องคุณไปที่เหลือก็ไม่ยอม้วก็ลบเลาะให้ได้วันเนี้ยสูบุบรี่ไม่ได้ในห้องนี้นะเราเป็นห้องสวดมนห้องทําสมาธิพวกการละบอกก็ได้ก็ได้นะ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 นะความเป็นสมณนะถ้าบัปรปชิตรักษาไว้ไม่ถูกนะมันก็ุดให้ลงนรกหมายความว่าอะหมายความสิ่งที่ดีเนี่ยหรือสิ่งที่ดูจะไม่มีพิษไม่มีภัยเนี่ยถ้าปฏิบัติผิดมันก็เกิดโทษได้เรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกนะนะการเคารพพระพุทธ ร, รูปการเคารพสถานที่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าไปยึดติดถือมั่นมา ก, มากๆเนี่ยมันสามารถจะ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 อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นบทเรียนนะที่มันเตือนใจเราในเมื่อและสิ่งที่มันไม่ใช่แค่เหตุการณ์สมมตินะในโลกแห่งความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มันก็จะมีะมีเหตุการณ์ทำนองเนี้ยว่าสิ่งที่เรานับถือสิ่งที่เราผูกพันสิ่งที่เราเคารพเนี้ยคนอื่นเขาไม่ได้เห็นเหมือนกับเรานะแล้วก็บางทีเขาก็ทำ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 ฉันก็ต้องนะทำไม่ถูกกับแกบ้างนะเช่นอาชนแล้วหนีนะจับมาได้มาชนรถชันนะมาชนท้ายรถชันเนี่ยรถราคาแพงด้วยมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็หนีไปแต่ว่าเจ้าตัวคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็อ่ะก็รู้ผิดนะก็กลับมากลับมาเพื่อจะขอโทษขอโพยเนะจ้าของรถนี่ไม่พอใจมากนะรถ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 การกระทำมัาางมีพ่อคนนึงนะเสียใจนะลูกเนี่ยไปชกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนครูใหญ่ก็มาแจ้งพราะการต่อยในโรงเรียนเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เป็นความผิดที่ร้ายแรงมากนะปู่ใหญ่ก็มาแจ้งผู้ปกครองพอลูกกลับมาถึงบ้านเนี่ยนะพ่อก็ว่าลูกว่าทำไมาถึงไปไปต่อยเขาลูกก็บอกว่าเป็นพ่อเพื่อนเนี่ยนะมาดูถูกเหย็ดหยามมากแกล้ง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 พระสยฤบุตทนะ่านเป็นคุสุภาพนะเวลาเดินเมื่อก่อนที่จะเดินออกนี่ก็ทักทายทักทายพระที่มายืนรอส่งท่านถามชื่อถามโคดนะถามวงตระกูลก็ถามเนี่ยกับทุกคนนะแต่มีคนนึงนะเขาเคารพพระสายฤบุตมากเลยแต่ว่าพระสายฤบุตรเดินผ่านไม่ทักเขาไม่ถามเขาเขาโกรธนะเขาโกรธมากเลยพระเอิญเนี่ย ชายจีวาพระไตรลุดุลเนี่ยไปถูกตัวเขาเขาเลยหาเหตุนใส่ร้ายพระไตรลุธุลว่าเนี่ยทำร้ายเขาไปฟ้องภูจาาเนี่ยพระไตรลุดุลทำร้ายอาฆาพระองค์ก็เลยต้องมีการไต่สวนกันสุดท้ายเนี่ยก็พระไตุธก็ก็บริสุทธ์นะแต่ประเด็นก็คือว่าเนี่ยทำไมคนที่ศรัทธาพระไตรลุดุลเนี่ยจึงลงเอ่ยด้วยการใส่ร้ายพระไตรลุดุ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 นะไปไปเกณฑ์คนไปบังคับให้มาถวายอาหารพระองค์พวกก็เลยเดินผ่านไม่ได้คข้ไปรับอาหารจากจากสพธธุพระสุพธธัทธะพระสุพัทธะก็ก็โกรธนะโกรธเลยนะที่พระองค์เดินผ่านก็เพราะเห็นว่าสิ่งที่พระสุพัทธะทำไม่ถูกต้องแต่พระสุพัทธะนี่มองไม่เห็นโทษของตัวเองนะโกรธแค้นพูะเจ้า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 อันนี้เป็นความคิดที่เกิดจากความรู้สึกแค้นพระองค์อันนี้แหละคือที่มาที่ทําให้พระมหากษัตริยเนี่ยเห็นความสําคัญของการสังเกตนานะจึงมีสังเกตนาสามเดือนหลังจากพุทธปรินิพพานซึ่งในแง่นึงก็ต้องขอบคุณนะพระสุพัทธาเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่พูดแบบนี้นี่พระมหากษัตริยก็ไม่มีความคิดนะว่าจะให้มีการสังเกตนาอในแง่นี้ก็ต้องขอบคุณนะพระสุพัทธา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 คนธรรมดาก็ต้องมีตัวกูนะพอเจอเหตุการณ์แบ น, นี้ก็าจะโกรธแต่ก็ให้มีสติเอาไว้พอถ้ามีสติในความโกรธเนี่ยเดือมนั่งตัวกูมก็จะทําให้เราเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเขาทําไม่ถูกเราก็ต้องแก้เราก็ต้องท้วงติงแต่ถ้าเราไม่ระวังตัวเรานั่นแหละนะที่จะกลายเป็นคนทําไม่ถูกซะเองและเป็นความไม่ถูกที่มันยิ่งกว่าที่คนอื่นทำซะอีก